จะแก้ความหมุนมองได้อย่างไร 1. ประสิทธ์บอกตอนเองไว้เสมอเสมอว่าอย่าคิดมากนี่เรียกว่าเป็นการป้อนโปรแก ร, รมให้กับจิตตนเองในระดับสำนึกเมื่อท่องบ่อยเข้าจนใจยินยอมตามโปรแก ร, รมอาการไม่คิดมากก็จะค่อยๆปรากฏชัดขึ้นมาเอง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 สามเมื่อหงุดหงิดวิตกเกินกว่าเหตุหรือหดหูเศร้าหมองอย่าพยายามเร่งเอาตัวเองออกมาจากภาวะนั้นๆทันทีทันใดตามใจนึกแต่ให้ตระหนักว่านั่นเป็นภาคมืดของจิตเมื่อใดมีแสงสว่างสะอาดเข้ามาความมืดก็จะหายไปเองความสว่างนั้นอาจหมายถึงการไม่ยอมจมอยู่กับทุกข์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 แล้วรังเกียดเหตุให้เกิดความมืดอย่างถาวรขอให้ขยันสร้างเหตุแห่งความสว่างเถอะครับความเป็นมนุษย์นั้นเหมือนมีดที่คมกว่าเราคิดเอาไปเฉาะดินเล่นจนทื่อก็ได้หรือเอาไปฟันฝ่าอุปสรรคให้ตัวเองก็ได้และในเวลาที่ไม่เนิ่นช้าด้วย